Bye-bye. วันนี้อาตมาก็ได้ดูวิดีโอคลิปเสนอข่าวตอนนี้ตุ๊กตาเทพกระแสลงแล้วก็มีคนนำไปเอาไปไว้ที่วัดแถวนครปฐมสิ่งภายนอกเนี่ยบางครั้งก็พึ่งไม่ได้อย่างจะดูคามคนก็เห่อกนอยู่พักหนึ่งตอนหลังก็คนก็เลิกเล่นกันนิสัยคนไทยจะเน้นพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่เป็นอิทธิธปริหารต่าง เพื่อฝวามั่นคงบางคนก็ต้องการถูกหวยหรือทําให้ตัวเองเนี่ยโชคดีสมหวังในเรื่องราวต่างๆบางครั้งก็ฟุก ก, ก็พึ่งได้แต่บางครั้งก็พึ่งไม่ได้แต่โดนมากโดยมากจะพึ่งไม่ได้สิ่งที่พึ่งได้คือธรรมะรู้โลกธรรมว่าเราเนี่ยมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกขมีสารเสรอิอมีดินทาถ้าเราเข้าใจชีวิตเนี่ยและรู้ความจริงว่าคนเราเนี่ย จะมีสัญญาวิปลาสอยู่4อย่างคือเห็นของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงแล้วก็มักจะหลงหลงความทุกข์เป็นความสุขแล้วก็เห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็น ต, ตัวตนแล้วก็หลงของไม่งามว่าเป็นของงามอันเนี้ยโดยธรรมชาติทั่วไปเนี่ยคนเราจะเป็นเช่นนี้คือเห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงเราจะต้องมาปฏิบัติธรรมมารียธรรมะ เพราะถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เลยว่าเราเองแบบเป็นคนสัญญาวิปลาสมองโลกปิดเบือนถึงเราจะรู้ความจริงแต่เดี๋ยวความคิดก็หลอกให้เราเห็นว่าโลกเนี่ยเที่ยงของทุกอย่างเที่ยงเห็นความทุกข์เป็นความสุขก็คือแบบบางคนเนี่ยก็ติดเหล้าติดบุหรี่เอาพิษบุหต่างต่างติดความสุขส า, ารลื่นลื่นเลิงคือหลงเพลิกับโลกโลกไป แลทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เที่ยงอย่างเราดูหนังเนี่ยดูไปเดี๋ยวก็เบื่อ <im itation> เดี๋ยวก็ปวด <im itation> เดี๋ยวก็เมื่อยฟังเพลงานานๆ เ, เพลงที่ชอบ <im itation> เดี๋ยวก็เบื่อกินอาหารที่ตัวเองชอบกินมาเดี๋ยวก็เบื่อเหมือนกันลองทําอาหารซ้ำๆทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็เบื่อเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ใต้กฎตายักคือความไม่เที่ยงเพราะถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่กับโลกธรรมได้อยู่ความไม่เที่ยงได้ อยู่ความขัดแย้งได้ดินฟ้าอากาศก็ไม่ได้เป็นไปดังใจเราคนก็เหมือนกันบางคนก็ตามใจเราบางคนก็ขัดใจเราอันนี้เหนือการควบคุมถ้าเราหวังให้เป็นไปดังใจเราปรารถนาเนี่ยเรเตรียมตัวทุกข์ได้เลยวันนี้อันมาก็ตั้งใจจะพูดเรื่องความสามาคัคคีเพราะถ้าที่ใดจะไม่มีความสามัคคี ที่นั่นก็จะไม่มีความผาสุกเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นชุมชนต่างๆตงั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศถ้าเกิดไม่มีความสามาคัคคีเนี่ย mm hmm. ก็จะเต็มไปด้วยความขัดแยง้งอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันนมจะเล่าเรื่องเปรียบเทียบให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นนิทานชื่อเรื่อง นักดนตรีวงแตกมีดนตรีอยู่วงหนึ่งมีความไพเรอพรอพิงไปแสดงที่ไหนเนี่ยผู้ชมก็มากพอผู้ชมมากเนี่ยก็โจทย์ใจไปทั่วก็ทำให้ดังขึ้นดังขึ้นเป็นเล่นที่ไหนคนก็ชอบค่าจ้างในการแสดงก็แพงขึ้นนักดนตรีก็ได้ค่าจ้างมากขึ้นคันน า, นานเข้าเนี่ยนักดนตรีเดยวงเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนะเก่งกว่า สมควรที่จะได้ค่าจ้างมากกว่าตอนนี้ก็เริ่มอิจฉากันแล้วก็เลยพูด ก, นนกระแหนกแแดดกันไปไปเมาก็เริ่มจะขัดใจกันทะเลาะเบาแว้งกันไม่สามาัคคีกันจนในที่สุดวงตีลกวงนี้ก็ต้องยุบไปต้องเลิกไปในที่สุดพระราชาพระองค์ได้ยินกิติศักดิ์ของวงตีวงนี้ว่าแดดีดเนี่ย แสดงในภายหลอ่อพอพิ้งค์มีผู้ชมมากพระองค์ก็อยากจะชมบ้างถึงให้คนไปติดต่อมามาแสดงที่ท้องพระโรงนักดนตรีมาถึงก็ถามพระราชาว่าข้าพเจ้ายินดีที่จะแสดงให้พระองค์ชมแต่อยากให้พระองค์เนี่ยช่วยตัดสินว่าว่านักดนตรีในคณะเนี้ใครเก่งที่สุด และสมควรได้ค่าจ้างมากที่สุดพระราชาหลังจากทราบจุดประสงค์ของนักดนตรีแล้วพระองค์ก็บอกว่าก็ได้แต่พวกเจ้าต้องแสดงให้ชมก่อนแสงเสร็จแล้วถึงตัดสินได้และวันที่รอคอยก็มาถึงนักดนตรีวงแตกก็กลับมารวมตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงให้พระราชาชมก็มี คนมาชมกันมากมายในท้องพระโรงทุกคนก็ตั้งใจแสงเต็มที่แต่ทุกคนก็บอกหน้ากับพิษนิติเพราะในอดีตเคยบาดหมาง ก, กันมาก่อนเพราะฉะนั้นการแสดงจึงแสดงแบบของใครของมันนะ่ะใครถนัดด้านปี่ก็เล่นปี่ไปใครถนัดด้านซอหรือขีมอะไรก็แสดงไปตามที่ตัวถนัดโดยไม่มีการเทียบเสียงกันคือต่างคนต่างเล่น ผมปรากฏว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียงไม่สามัคคีกันคันแสดงจบนักดนตรีก็ถามพระราชาว่าใครเก่งที่สุดพระราชาบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยขอให้แสดงใหม่อีกรอบหนึ่งถึงจะตัดสินใจได้นักดนตรีจรึงมองหน้ากันด้วยความที่เป็นนักดนตรีอาชีพและสายชั้นญานว่าจาเป็นเนี่ยจะต้องร่วมมือกันจริงๆสักครั้งหนึ่ง ทุกคนจึงหยิบดนตรีขึ้นมาแล้วเทียบเสียงดูจนได้ที่แล้วก็เลือกบรรเลงอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งแรกดนตรีประสานเสียงกันไพเรพราพิพงทุกคนในที่นั้นก็ชมอย่างมีความสุขครั้นดนตรีแสดงจบก็ได้ยินเสียงบทเบือดังแสดงหันไหวนักดนตรีทุกคนเล่นอย่างมีความสุขนะ ลืมฟาบาดหมางในอดีตชั่วคราวเล่นไปตามจังหวะเพลงของใครของมันประสานเสียงกันเป็นหนึ่งเดียวหลังจากแสดงจบแล้วพระราชาก็ให้รางวัลแล้วก็ถามว่าพวกเจ้ายังอยากรู้ไหมว่าใครแสดงเก่งที่สุดในวงนักดนตรีตอนนี้อารมณ์ดีทุกคนแล้วก็ตอบว่าไม่ต้องการแล้วไม่อยากทราบล้วใครใครเก่งที่สุด เพราะว่าทุกคนเก่งเหมือนกันหมดเ่ยจึงทําให้โอนตรีเนี่ยเล่นอย่างมีความสุขเพราะความสามัคคีกันที่โวลตีต้องเลิกเพราะแตกความสามาัคคีที่ฐานเรื่องนี้ก็มีแง่คิดว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันสามัคคีกันไม่อิฉากันร่วมมือร่วมใจกันทํางานไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีญาติโยมที่อยู่ในวัดเนี่ย งานก็จะราลบลื่เพราะแต่ละคนจะมีความสามารถที่แตกต่างกันพาแต่รูปก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันเราสามารถใช้ความสามารถของคนเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมารวมกันได้ส่วนที่เราขาดมากักจะอยู่กับเพื่อนแต่ถ้าเราอิจฉาซึ่งกันและกันสังคมนั้นก็ไม่พัฒนาอยการธรรมา์น่ยมักเปิดโอกาสให้พารุ่นน้องได้แสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นเทศเป็นสวดมนต์ เป็นการทํางานเราเปิดโอกาสให้เพราะว่าถ้าเราไม่เปิดโอกาสเนี่ยเขาก็ไม่ได้แสดงเท่าไหร่อีกหน่อยก็ไม่สามารถทดแทนได้ถ้าเราอิจฉาทิศยาการก็ไม่เจอรุ่งเรืองแต่ถ้าเกิดเราไม่อิจฉาเนี่ยวัดต้องพัฒนาแน่นอนเพราะว่าเราจะเต็มไปด้วยคนเก่งคนไม่เก่งก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งออกมาไปดูวัดบางวัดเนี่ยจะหาพระเก่งยากมากเลยเพราะธรรมดาก็เฮ้ยมีคนเก่งอยู่แล้วพอบางทีอิจฉา ดิศยาซึ่งการและการไม่ขนวนขวายหาความรู้ขาดบุคลากรถ้าจะไม่ดูเรื่องอะไรเลยแล้ว่าจะเป็นธรรมะหรือเรื่องโลกวัดบนเขาเนี่ยจะหาเก่งยากมีว่าป่าสุกโตนี่แหละที่เป็นแหล่งรวมบุคลากรจากที่ต่างๆแม่ชีบางคนก็มีความรู้พูดอังกฤษได้สามารถพูดภาษาต่างประเทศก็ได้ทำอาหารก็อร่อยหรือบางคนก็ปลูกต้นไม้เก่งบางคนก็ขยันภาวนา บางคนก็เข่งคัดรักษาศีลขยนันช่วยงานวัดอย่างพักก็มีหลายท่านอย่างอาจารย์วัชชัยท่านก็ท่าน ก, ก็ช่วยดูแลเรื่องเงินช่วยดูแลเรื่องกรรมฐานดูแลความเรียบร้อยของวัดท่านก็รับผิดชอบเยอะอาสมาก็หนักไปทางเรื่องเผยแพร่ธรรมะทางสื่ออินเทอร์เน็ตอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์อาจารย์สมใจก็ดูดูหออใจซึงท่านแต่ละคนก็มีภาระ หลวิโก้ดิ้ก็ฝ่ายบริการฝ่ายยานยนต์ฝ่ายมนต์พิธีอะไรต่างๆก็ <c oughs> มีอีกหลายคนที่ไม่เคยชื่อแต่ละคนก็มีความสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเกิดเราขดาดความสามาัคคีปุ๊บความผาสุกก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนิทานเรื่องหนึ่งนิทานเรื่องนี้เกิดที่เมืองจีนมีเมืองเมืองหนึ่งมีวัดเหนือกับวัดใต้วัดแต่ละที่เนี่ยจะมีพระเนนอยู่ประมาณสิบกว่ารูปวัดเหนือ พระเนรจะมีความสามัคคีกันอยู่กันผาสุขส่วนวัดใต้พระเนรทะเลาะเบาแวกกันประชาอิจฉาซึ่งกันและกันจนเจ้าวาดวัดใต้เนี่ยกุมใจไม่รู้จะทำไงแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมวัดเหนือถึงอยู่กันอย่างผาสุขก็เก็บความสงสัยเอาไว้จนวันหนึ่งก็มีโอกาสไปเยี่ยมวัดทางเหนือไปถึงก็ได้คุยกับเจ้าวาด ว่าทำไมพระวันนี้อยู่กันผาสุขอยู่กันแบบสามัคคีจเจ้าวาดก็ตอบด้วยน้เสียงรับเรียบว่าเพราะพระในที่นี่เนี่ยไม่มีใครเป็นคนดีเลยก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันและสามัคคีกันท่านตอบสัน้นๆเจ้าวาวัดใต้ฟังแล้วออก็ยังสงสัยอยู่นะเพราะมันตอบแบบไม่กระจ่างแหะก็กลับวัดไปเก็บความสงสัยเอาไว้ แล้วมีโอกาสก็ไปเยี่ยมวัดเหนืออีกมาครั้งนี้ก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากโบสขอโทษหลวงพี่ถ้าผมถูสาราเร็วกว่านี้อีกหน่อยหลวงพี่คงไม่ลื่นล้มพระองค์รูปที่ลื่นล้มก็บอกว่าเพราะผมเนี่ยไม่ดีเอง ประมาดถึงได้ลื่นลม้มพระอีกรูปหนึ่งก็ตอบว่าเพราะผมไม่ไม่บอกหลวงพี่ก่อนที่จะเข้ามาในศาลาถ้าบอกหลวงพี่คงไม่ลื่นลม้มพระรูปที่ลื่นล้มก็ตอบว่าไม่ใช่ความผิดของใครเป็นความผิดของของตนเองที่เลิศเลอทุกคนพูดถึงตั้งแต่ความไม่ดีของตัวเองนันเลย เจ้าวาดวัดใต้จีเข้าใจแล้วโอที่เจ้าวาดวัดเหนือบอกพระเนรที่ดีไม่มีใครดีเป็นเพราะอย่างนี้ที่เองเพราะทุกคนเนี่ยทำอะไรก็ยอมรับว่าตัวเองผิดไงคือโทษตัวเองไว้ก่อนไม่โทษคนอื่นอันนี้เราหายากนะเพราะโดยนิสัยคนเราเนี่ยจะมีกิเลสโยนควาผิดให้คนอื่นไว้ก่อน ล, ละเราจะไม่โทษตัวเองนะป้องกันตัวเองไว้ก่อนต่อให้ไปอาจบายกับวัฏฐานด้วยแหละจะโยนความผิดให้คนอื่นไว้ก่อน เพราะว่าคุณจะทำตัวนี้เป็นคุณจะทำขั้นสูงไอ้ที่ยอมรับว่าตัวเองผิดเนี่ยมันเป็นการลดอัตตามันทำยากอะ่ะแต่ต้องหาแพทรับบาปไปก่อนโทษคนอื่นถ้าใครยอมรับว่าตัวเองผิดเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องแบบอัตตาสะเทือนแหะถ้าเกิดทําทั้งวัดเนี่ยวันนั้นก็มีคุณธรรมสํานึกตนสํานึกผิดแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้อภัยและเห็นใจ พอตัวเองตัวเองมีสามาัญสำนึกปุ๊บคนอื่นก็จะมีสามาัญสำนึกด้วยอันนี้ก็าเรีดีต่อดีอันนี้จึงเป็นสาเหตุที่วัดวัดเหนือเนี่ยสามคัคคีกันเวลาทําอะไรผิดก็ผมผิดไปแล้วครับขอโทษอะไรพวกนี้แม่ชีเวลาทําอะไรผิดก็ผิดไปแล้วไปโทษคนอื่นถ้าเป็นแบบนี้ได้ก็อยู่กันแบบผาสุกอะให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ราเบียดชังกันแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ เกิดขึ้นที่วัดป่าแห่งหนึ่งวัดป่าแห่งนี้ในอดีตเคยเจริญรุ่งเรืองมากสารานาในอดีตเป็นสถานที่รองรับญาติโยมหลายร้อยคนตอนนี้พระประธานก็เต็มไปด้วยอยากย่ายเต็มไปด้วยค่าฝุ่นห น, หนาเขอนไปหมดเก้าอี้อะไรก็หักพังมองไปทังไหนก็หดหูใจลงครัวในอดีต เคยทําอาหารเลี้ยงคนแดงหลายร้อยตอนนี้มอ็อกาวมอแกงก็กระจัดกระจายมีแต่ยักคื่อยักษ์ใหญ่ดูแล้วน่าเท้าทายยิ่งนักข่านั้นก็มีพระสรูปเดินทางมาพบกันโดยไม่ได้นัดหมายพระสามรูปก็เดินชมวัดป่าแห่งนี้แล้วก็มีพระยรูปหนึ่งเอ่ยขึ้นมาว่า อะไรหนอเป็นสาเหตุให้วัดล้างภาอีกรูปหนึ่งก็บอกว่าพระในวัดน่าจะขี้เกียจถึงเป็นเหตุวัดล้างอีกรูปหนึ่งก็บอกว่าพระคงไม่สำรวมไม่ขยันข ว, ขวนขวปล่ยหาความรู้ถึงเป็นเหตุวัดล้างพระรูปที่ถามก็บอกว่าคงเป็นพ่อพระในวัดเนี่ย ไม่ยอมปฏิบัติทมจึงทำให้วัดล้างทั้งสามท่านต่างพูดด้วยเหตุผลแบบไม่มีใครยอมใครจนในที่สุดจึงตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่และใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยทำให้วัดเนี่ยเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งพระพระอ มาเรียกพักอกอเขาละกันเพราะว่า3คนเนี่ยต้องตั้งชื่อเดี๋ยวโยง ง, งพักอกอมีความสามารถด้านเป็นนักเทศแล้วก็สวดมนต์พักขอมีความสามารถฝ่ายโยธาเป็นช่างสามารถซ่อมบํารุงทาสีเป็นช่ง า, า, มมม ง, าชงไม้ก็ได้ช่างไฟก็ได้เป็นช่างกระปาด้วยทําทุกอย่างเรียกเป็นฝ่ายโยธาก็แล้วกัน พระคอเป็นพระอาจจะเป็นพระกรรมฐานสอนกรรมฐานเรื่องความรู้สึกตัวตกลงกันแล้วพระสามท่านก็จะทำสีตัวถนัดพระคอก็เริ่มชักชวนโยมมาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็พูดธรรมะให้โยมฟังพระขอก็เริ่มพัฒนาวาัดปรับปรุงอะที่ไหนที่เจ๊งที่พังก็ขนขวายหาของใหม่มา ส่อมบ ม, มรุงจนน้ำไหลไฟสว่างวัดหน้าอยู่ตอนนี้ดูดีขึ้นละพระคอเปรียจารการรมฐานก็เริ่มบอกให้โยมมาเจริญสติสร้างความ ร, รู้สึกตัวกันให้คุณขค่าการเจริญสติแล้วโยมก็มาวัดมากขึ้นมากขึ้นปากต่อปากบอกกล่าวกันไปตอนนี้ฟาร์มจะลุงเรืองเข้ามาหาวัดป่าอีกครั้งหนึ่งแม่ชีก็มา พระก็มาทำให้เกิดความผาสุกแต่แล้วการเวลาผ่านไปประมาณปีหนึ่งก็มีเสียงผู้คิว้ว่าเพราะฉันตั้งหากที่ทำใหน้นำโยมมาไหว้พระสวดมนต์เทศให้โยมรู้บาปบุญคุณโทษถึงทำให้วัดนียเจอลุ่งเหลืองพระอีกรูปหนึ่งพราะฉันตั้งหากที่ขยันขวนขวาย ซ่อมแสมบำรุงทำให้วัดหน้าอยู่น่าใสโยมถึงมาเลมาวัดมากมายพระกรรมฐานก็บอกเพราะฉันล่างหากที่สอนให้โยมรู้สึกตัวให้จิตตื่นจากหลับโยมถึงมาวัดกันมากมายทั้งสามคนเนี่ยเถียงกันคอม่เอ็นไม่มีใครยอมใครแล้แล้วในที่สุดญาติโยมก็เริ่มเบื่อเอือมละอาพระสามท่านนี้ ค่อยๆออกไปจากวัดทีละคนสองคนจนเหลือน้อยถ้าแล้ววันที่พระสามรูปเนื้อจากไปก็รู้คาตอบแล้วว่าเพราะอะไรวัดถึงล้างเพราะพระในวัดไม่สมานฉันหรือไม่สามัคคีกันต่างหากอันนี้เป็นเหตุให้วันล้างพอถ้าเกิดสามัคคีกันเนี่ยเราจะไม่อิจฉาซึ่งกันและกันเลยเพราะแต่ละคนจะมีความสามารถต่างกันพระนักเทศ ก็ไม่อิจฉาพระกรรมฐานพระกรรมฐานก็ไม่อิจฉาพระนักเทศพระนักเทศก็ไมอิจฉาพระฝ่ายโยธาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะถ้าไม่มีฝ่ายโยธาก็ไม่น่าอยู่ไม่น่าใสไอ้รุ่นพังไอันนี้ก็เจ๊งเดี๋ยวก็น้ําก็ไม่ไหลไฟก็ดับอันนี้ทุกคนมีประโยชน์มีคุณค่าหมดฝ่ายลนะุงเสนาธนะต่างๆเนี่ยคือ ถ้าไม่อิจฉาซึ่งกันและกันไม่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นให้เกียรติซึ่งกันและ ก, กั น, ใ, กกนกใครทําหน้าที่อะไรก็รับผิดชอบไปดีเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยจะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาแบบคอยขัดแข่งกันขากันชื่นชมซึ่งกันและกันไม่ว่าเป็นต่อหน้ารับหลังเนี่ยก็อยู่กับผาสุกโยมก็สบายใจมาเห็นวัดเห็นพระสามัคคีกันโยมก็อยากเข้ามามาปฏิบัติธรรมมาไหว้พระสวดมนต์มาถือศีลภาวนา อันมาสังเกตนะพระเนี่ยจะทำให้เก่งเหมือนกับกทุกคนไม่ได้หรอกแต่ละคนจะมีทักษะแตกต่างกันบางคนก็เก่งด้านคมบางคนก็เก่งด้านเทศบางคนก็เทศไม่เป็นแต่บางคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายให้โยมเห็นได้ใช้ชีวิตแบบพระใช้ชีวิตง่ายๆสันโดษกลายไปอยู่เรียบง่ายคือใช้วัตถุน้อยบางคนก็สามารถปฏิบัติทํามได้ทั้งวัน เป็นแบบอย่างให้โยมได้เพราะแต่ละคนจะอุปนิสัยไม่เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้บางคนก็มีความสามารถเรื่องประสานงานอย่างวัดเราเนี่ยก็มีหลวงพี่หนุ่มจะเก่งหลวพี่หนุ่มหลวงพี่โกเนี่ยประสานงานเก่งประสานงานกับฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ทําให้งานเดินราบลื่นแต่บางครั้งถ้าไม่มีฝ่ายประสานงานงานก็อาจจะขุกนขะไม่มีพระกรรมฐานคอยสอนโยม ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะโยมขัดที่พึ่งบางทีโยมติดอารมณ์ไมจะถามถามอาจารย์คนไหนพอมีอาจารย์กรรมฐานเนี่ยโยมก็อุ่นใจแล้วอย่างน้อยติดอารมณ์ก็มีคนบอกมีคนชี้แนะแล้วเกิดไอ้นุ่นพังไอ้นี่เจ๊งอ้าวฝ่ายช่างก็มีประโยชน์ลพะพอถ้าขาดฝ่ายช่างปุ๊บไฟก็ดับน้ําก็ไม่ไหลไอ้นุ่นพังไอ้นี่เจ๊งทังทุกฝ่ายมีประโยชน์บทอย่างอาตมาทํางานเนี่ยก็พึ่งพาหลายฝ่ายเลย บางทีต้องพึ่งพวกหลวงพี่อิวอันนี้อยู่เบื้องหลังนะคือถ้าไม่มีเบื้องหลังเนี่ยงานเราก็ไม่ราบือหรอกบางทีก็ช่วยตัดแต่งเสียงให้ช่วยอัดให้เราทําคนเดียวเราก็ทําไม่ไหวเมื่อก่อนเอามาตอนที่พระไม่ค่อยมีเนี่ยอันมาทําทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ตีค้องพอพระด้วัดตอนนั้นไม่มีใครเป็นเลยตีค้องนําสวดมนต์เสร็จแล้วเปิดเสียงอีก เราใช้รีโบดเปิดตอนนั้นไม่เหมือนตอนนี้ตอนนั้นพระมีไม่กี่คนพึ่งพันเตคนเดียวคือตั้งตั้งแต่เช้าเนี่ย ต, ต้องต้องตีตีละกังสาราหน้าเนี่ยไปบินธบาตถูสาราต้องทําเองหมดเลยฝัดใ ไ, ไม้รอบสระเนี่ยเมื่อก่อนนู้นะไม่ใช่ตอนนี้นะเมื่อก่อนพระมีไม่ถึง10บลูกอะมีน้อยเราจะเห็นได้ชัดเลยเราทําทุกอย่างเก็บขยะถูสาลาฝัาดใบไม้ตีคองตีละกังบิณธบาติแต่ตอนหลังเนี่ยวัดเราคนเก่งมาเยอะขึ้น ก็เลยสบายสาราหน้าในถูปั๊บเดียวแหละบางทียังไม่ได้ทันจะเอาผ้ามาถูเลยพวกถูเสร็จแล้วคนละช่องปั๊บเดียวเสร็จเมื่อก่อนมาทํากับอาจารย์วิชัยอ า, า ย, รร ย, ชยอาจารย์ปัญญาสามคนถูบางทีบางช่วงอาจารย์วิชัยไม่อยู่มาถูคนเดียวชั่วโมงนึ่งไม่เสร็จเลยบางทีพราะมันใหญ่สาราหน้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เลยไม่เคยได้ทําพันดน้องๆก็สามคนขี่กันทำปั๊บเดียวเสร็จทําบางทีไม่ถึงสี่ปีบ้างเสร็จแล้ว แต่คนต่า ง, งกลับอย่างผาสุกแต่พวกที่ทํานี่ก็จิตอาสานะแต่ละคนก็เราไม่มีการไม่มีการบังคับอะ่ะแต่บางคนไม่ชอบก็จะหนีไปเลยฉันเติดก็ลุกหนีไปแต่ผู้ที่ชอบทํานี้เขาก็ <c oughs> อยู่รออ่ะเขาไม่สนใจว่าใครจะทําหรือไม่ทําก็ทำเขามีความสุขไงทั้งจิตอาสาจึงมีความสุขกว่าจิตที่ถูกบังคับอย่างพระบมชีที่มาทําวัดด้วยจิตอาสาเนี่ยจะมีความสุขกว่าพระหรือแมชีที่มาทำเพราะกลัวจะไปศาลกลัวเพื่อนว่า หัวเจ้าวาดไล่ออกจากวัดอันนี้มาทำทีไร ก, ก็ทุกทุกทีตัวเองก็เกลียดเกลียดธรรมะเกลียดเกลียดการทำวัดสวดมนต์อยู่แล้วแต่ถ้าเรามามาด้วยจิตใจที่ที่ตั้งใจมานะมาสวดมนต์ก็ถือว่ามาเข้าเฝ้าพทธเจ้าฟังพระสูตรต่างๆฟังธรรมจากจากแผ่นจากสื่อจากครูบาอาจารย์บ้างจากเทศสดสดมั่งแค่ชั่วโมงเดียวเพราะบางทีเรื่องที่เราพูดเนี่ย บางคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนบางคนได้ยินได้ฟังมาแล้วก็จะให้เข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้หายสงสัยแล้วทาให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องคือความเห็นตรงรู้บาปบุญคุณโทษทําให้เป็นคนกระตันยูอะไรพวกเนี้ยแล้วขณะที่ฟังธรรมเนี่ยจิตก็พองใสนิวรัตงต่างก็ไม่เข้ามารบกวนมีแต่ดีกับดีแต่ถ้าพวกไม่ชอบมาทาเนี่ย ส่วนมากถ้าไม่ชอบภาวนานะจิตก็จะแปะบุญสวดได้ง่ายบางคนก็ไปดูหนังฟังเพลงหรือไปทำอะไรที่ตัวเองชอบอะซึ่งก็ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ไม่ได้ทําตามกฎสงสังคม ก, ก็เกิดความไม่สามาัคคีไม่ผาสุกแล้วพอถ้าไม่ทํานานๆก็ระแวงเฮ้ยเพื่อนจะคิดกับเรายัางไงคนโน้คนคนี้จะคิดกับเรายัางไงแต่ถ้าคนที่ทํากิจวัตรสงฆ์ทุกวันทุกวันเนี่ยจะมีความมั่นใจ เดินไปเดินมาในวัดเนี่ยอย่างอานหาเลยเพราะว่ามีควาสุกว่าตัวเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมผิดคนที่หลบหลีกงานต้องระแวงอ่ะว่าคนจะคิดกับเรายัางไงหนักๆเข้าก็จะมีอยู่ความสุขเพราะว่าจิตอาสาหรือวางใจให้เป็นในขณะใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าเข้าใจชีวิตจะมีความสุขกว่าคนที่ ต้องฝืนใจทําอย่างพวกญาติโยมผู้แม่ชีไปทําครัวถ้าทำด้วยจิตอาสาเนี่ยขณะทำก็อยู่ความสุขแต่ถ้าทําด้วยความจําใจกลัวแม่ชีอาวุโสว่าอันนี้ทําไปก็ทุกไปหรือลดน้ำต้นไม้ ม, รรมดดีความสวดลดด้วยความจําใจก็ต้องทุกข์อ่ะเดี๋ยวใบไม้ร่วงเกิดไปหมดเลยถ้าฝาดฝาดด้วยความจําใจบางทีก็ด่าใบไม้ไปด่าดินด่าลมไปอะไรไปแต่ถ้าเราตั้งจิตใหม่ าฝาดใบไม้เนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเราฝาดใจให้สะอาดด้วยได้ออกกําลังกายด้วยได้จิติสัยสร้างความรู้ตึกตัวด้วยเนี่ยอันนี้มีมีคุณกับคุณที่ก็เป็นกุศลด้วยมีได้กับได้เพราะวันแต่และ ว, วันเนี่ยเราจะมีสิ่งต่า ง, างๆให้เราเรียนรู้ตลอดถ้าเราลด ต, ต้นไม้ให้ต้นไม้เนี่ยมีความสุขเพราะต้นไม้เนี่ยเขาต้องการน้ํบางทีเขาเหี่ยวเฉาพอได้น้ำเนี่ยเขาช่วยชีวิตเขาให้เขาอยู่ได้เขาก็ ใบสดชื่นบางทีออกดอกให้เราชื่นชมคือพึ่งพาใสซึ่งกันและกันธรรมชาติพึ่งเราเราก็พึ่งธรรมชาตินลแหละแต่เขาเหี่ยวเฉาเราเห็นเขาเราก็คนหูใจเหมือนกันเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยสัตว์ก็เหมือนกัน ท, ทุกชีวิตล้วนแลพึ่งพาใสกันหมดจะอยู่แบบคนเดียวไม่ได้ในสังคมเราต้องสามัคคีกันสามัคคีขบูรณนานมาซึ่งความสุข อันมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านมีความสุขมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปคิดสิ่งใดถูกต้องก็ขอให้สมปาาัานาขอจบลงแค่นี้